นมัสการครูบาอาจารย์ทั้งหมดพี่น้องขัลยาณมิตรกยา น, นิมิตรด้วยครับ น, นี่ก็ผมก็ปฏิบัติกับอาจารย์มาหลายห้าหกเที่ยวแล้วมั้งฮะแล้วก็เมื่อก่อนก็ยังยังไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่คือตัวสตินี้ ย, ยังยังไม่แข็งแรงโดยเฉพาะโดยเฉพาะก็ กัดภรรยาพรากว่คนที่ใกล้ชิดจเราที่สุดใช่ไหมเราแต่หลังจากที่ได้มาแล้วก็เราเราก็เห็นความไม่ดีของเราเยอะแยะเลยใช่ไหมว่าโอ้ยเขาอุตส่าห์จั่งกระข้าวกินทํำนูำ่นทํำนี่แล้ยังไม่ว่าเขาอีกใช่ไหมคือเริ่มมองเห็นมองเห็นตัวเองว่าเอ้ยว่าโอเรานี่มันลายเนี่ยว <laughs> แ่แฟนแฟนเขเรียกผม โบกันนันโน่แปลว่าลุกภูเขาระเบิดภูเขาไฟเพราะอารมณ์ร้ายมากัสมมาบอกดนีดกรมาคราวนี้รู้สึกได้อะไรแปลกๆคือไม่ไม่ไม่ได้อย่างที่เคยได้มาคือเราเรื่องความอดทนใช่ไมเราโอ้ยพวกเราทุกคนเนี่ยอดทนหน้าดูนะโอ้โหต้องสู้กะ สู้กับความเบื่อสู้กับความง่วงสู้กับสิ่งจำเจเนี่ยโอ้โหทั้งหวันเนี่ยะเราผ่านมาได้ไงไม่รู้ผมเองนึกไม่ออกว่าผ่านมาได้ยังไงต้องทนมาขนาดนี้แต่เราผมก็เริ่มเห็นในเนี่ยไอ้อเราเริ่มทำไอ้เนี่ยท่านี้นะเราก็จะเห็นในไอ้การเกิดการดับอยู่เรื่อยตอนนี้ตีนิ่งตีคือเกิดนิ่งคือดับตีนิ่งตีนิ่ง เราจะเห็นมันเกิดมันดับอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะฉั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะไอ้ความเจ็บฮะโอ้ยเอ๊ะมันเกิดไงอ่าเกิดเกิดเกิดจพักเอ๊ะมันหายไปไหนอีกละ่ะเมื่อยเอ๊ะแป๊บเดียวมันก็มาอีกแล้วทำไมเป็นแบบนี้นะใช่ไหมเราก็ง่วงเอ๊ะง่วงมาจากไหนเนี่ยเราก็นั่งดีๆเนะี่ยเราทำไมมันอยู่ๆมันก็มาอย่างเชยอย่างไั้น แล้วสพักเนี่มันก็หายไปเพราะฉะนั้นถ้าเราติดตามดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะพอเราต้องออกไปประเชิญโลกภายนอกเราก็เราก็จะเห็นเลยโดยเพราะผมนี้อีโก้สูงมากใครว่าประจานไม่ได้ชิงเลยสู้เลยต่อหลังนี่ก็ยังคุณบนว่าเอ๊ะก็พูดมาเรากลับมาดูแล้วเฮ้ยเราโกรธตอเนี้ยเราโกรธเขาตอเนี้ยเริ่มรู้แล้วเริ่มเข้าใจโอ้ย อ, อย่างนี้เองไปโกรธทาไมแปบ๊บเดียวใช่ไหม พอมันมันเกิดมาแป๊บเดียวแล้วมันก็หายไปมันก็ดับไปเพราะฉะนั้นเราเพียงแต่เนี่ยที่เรามาทุกวันนี้คือการฝึกความอดทนอดทคนี้นิดเดียวเท่านั้นนะแล้วมันก็หายไปมันมันันะมันไม่มีอะไรเลยที่มาทุกอย่างทีพาวิจารหรือว่าหรือว่าบางทีเนี่ยบางทีเด็กมามาสอนอะไรให้เราอย่างเงี้ยเฮไให้หาอะไรของมันเนี่ยมาข้ามรุ่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมัน เมื่อก่อนนี่ไม่ได้เลยนะเด็กลูกอย่างเงี้ยไปสอนให้มันสอนคอมพิวเตอร์มันดาวป่าโง่ไปอะไรวาแค่นี้ทําไมรู้เรื่องบางทีก็เอ๊ะเด็กคนนี้มันยังไงวะใช่ไหมคือตัวอีโก้มันสูงมาแต่หลังก็เนี่ยได้ฟังคําบรรยายคำคำธรรมะจ่าจาย์เราก็เริ่มมองเอ๊ะทําไมเราต้องไ่ถือตัววะใช่ไหมเราก็ก็ฟังเขาส น, น่อยก็โอเคบางที ทุกคนนะ่ส่วนมากจะมีความดีความฉลาดกว่าเราเยอะถ้าเราไปนั่งปิดอยู่นะเราก็ไม่ได้ของของเนี้ยเห็นว่าเป็นเด็กมันอาจจะไม่รู้มากกว่าเราจริงไหมหรอกบางทีมันรู้มากกว่าเราไอ้คอมพิวเตอร์เนี้ยเราเราเต่าล้านปีเลยใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยเราผมก็เริ่มเข้าใจเนี่ยแล้วรู้สึกมาปฏิบัติตอนหลังนี้หลังสุดเนี่ยจะเริ่มเห็นละเห็น ผมช้มชานี่เราจะ เ, เริ่มเห็นความเคลื่อนไหวของมือจะตามกิริยาจะเห็นเครื่องมือมันจะเคลื่อนไหวไปเรื่อยเราก็ตาแบบคือเห็นตอนนี้เห็นชัดแล้วเครื่องมันเคลื่อนไปทง้งซ้ายเราก็เห็นเคลื่อนไปทางขวาก็เห็นแต่แล้วอกเราก็เห็นเพราะฉะนั้นพอจิตมันอยู่ตรงนี้ผมว่าก็ชักจากได้เหลืองแล้วคือแต่ยังไม่ปิง้งอย่างพี่อย่างแม่พูดยังไม่เห็นแสงสว่าง ไม่เห็นอย่างนั้นยังยังไม่เห็นเลยนะฮะแต่ว่าเริ่มนะเห็นแล้วเอ๊ะมือมันขยายไป น, นี้เราก็เห็นมือไปทางนี้เราก็เห็นใช่ไหมก็คงมีแค่นี้อาจารย์วิจัยคือว่าในส่วนคนพูดเนี่ยทำหน้าที่วิเคราะห์ตัวเองอนะที่ข้อตัวเองว่าเป็นอย่างไงเงี้ยถูกไหมแล้วก็ธรรมาก็วิจัยว่าใช่หรือไม่ใช่ นะดีใจอย่างหนึ่งคืาว่าคำว่าเกิดดับเนี่ยยังอยู่ในความทรงจำอยู่เรื่องนี้สำคัญมากนะเพราะว่าอย่างรายกเนี่ยเกิดใช่ไหถ้ามันไม่ดับมันก็ค้างอยู่ใช่ไ้ยถ้ามันดับหมายความไปถึงจุดของมันอันนี้เกิดจุดของมันต้องการดับที่นี่แต่ถ้าเกิดมาดับตรงกลางถือว่าดับสนิทไหมไม่ใช่ก็ค้างใช่ไหมมาถึงนี้ ดับสนิทคือตรงนี้ทีนี้ถ้าหากว่ามีอะไรมากระทบเราเนี่ยมันเกิดใช่ไหมแต่ถ้าเราขาสดสติปับ๊บมันจะค้างมันจะไม่มันจะไม่ดับนั้นอาการเกิดก็จะยาวไปเรื่อยๆเรพราะได้สติปับ๊บมันก็ดับเพราะได้สติหมายความว่าปัญญามันมาพอปัญญามันมาปัญญาตัวนี้ก็จะไปทำลายตัวอุปทานปัญญาเพราะสมมุติว่าเร า, า, าเดี๋ยวว่าเด็กว่าป๋านี่โง่อย่างเงย เงี้ยนะเขาไม่เดาเรื่องง่ายๆก็ไม่รู้เงี้ยพราะถ้าหากว่าเราฟังปั๊บเสียงกระตุกหูปั๊บใช่ไหมอ๋อมึงเด็กกูว่ากูปั๊บเกิดแล้วใช่ไหมอ่าเพราะสติมาไม่ทันเกาจะบ่นให้เด็กอะอะไรมึงลุกลุกหลาดไปเรืงนี้เกิดเรื่อยๆแล้วพานไม่หานด่าเด็กก็เพื่อนเด็กไปเลยแต่เพราะรู้ว่ามันเป็นเด็กเราก็อยากจะรู้มาได้ได้สติแล้วเนี้ยอปัญญาเกิดไอ้ดวนั้นก็ลงดับนี่เขาเรียกว่าเกิดพอได้สติปั๊บ มีเหตุผลขึ้นมามันก็ดับแต่แท้าหากว่าเราถูกประมาทถูกดูถูกปั๊บมันเกิดปั๊บขึ้นมาพอสติมาไม่ทันปั๊บปัญญาไม่เกิดความสําคัญมรนหมายมณะถือตัวเกิดขึ้นอุปทานเกิดขึ้นใช่ไหมมันก็ไม่ดับแล้วทีเนี้มันก็จะไปมันเลยน้อยอกน้อยใจคิดไปเลยนี่เกิดไปเรื่อยๆนี่ไม่ยอมดับบางครั้งมันดับไปเองไงมันลืมไปเองดับอย่างนี้กับดับเพราะได้สติเนี่ยต่างกันไหม ต่างเลยนะเพราะสกุละอุระอุรระะอุระ อ, อ, อุระอุระออุระอุระอุเอุอุระอุระอมระอุรอุีะอุระอุอุาานนะววอุะระอุรออุระอุระอุระอะอุอุระอุรอุระอุระอานะะอุรอุระอระออระอุระอุระอุรอุระอุะอุระอุระอุรอระะอุอุระอุระอุระอุระอุระระอุระอุระออุรรอุรัอุระอุะอุระอุรราอุระอะอร ถ้าเรารู้ช้าไปนิดหนึ่งมันก็ไหม้ไปนิดหนึ่งถ้ารู้ช้าไปอีกนิดมันก็ไหม้ไปนิดหนึ่งถ้ารู้ไว้ที่สุดก็ไม่ไหม้เลยใช่ไหมถ้ารู้ช้าที่สุดตอนมันดับแล้วบ้านหลังนี้เหลือไหมเหมือ น, นกันนั่นแหละถ้าเกิดแล้วเราดับทันนั้นหมายถึงว่าเรายังเหลือทุกสิ่งทุกอย่างเท่าเดิมเด็กไม่ดูถูกเราเด็กไม่ว่าเราใช่ไหมเด็กไมไ่เด็กก็ยังนับถือเราเหมือนเดิมแต่ถ้าหากว่าเราโกรธเด็กเด็กเะเพิดเด็กไปหรือเราโกรธเด็กเนี่ย ความรู้สึกโกรธที่จะดับลัได้เราก็เสียแล้วเด็กมันก็ถอนหงอกเอาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี้ยอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆนะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นตัวสติมาหมายถึงว่ามีอะไรมากระทบปับ๊บเราได้สติหมายคนเราเข้าใจถูกเรื่องก็จบมันก็ดับแต่เราขาดสติปับ๊บเรื่องก็จะไปเรื่อยๆทะเลาะ ก, กันต่อร้อนต่อเถียงกันแล้วก็หาเรื่องใส่กันตรงนี้มันจะเกิดไปเรื่อยๆแหละทีนี้ปัญหาก็เกิดอันนี้เรียกว่า สติมาไม่ทันอุปทานก็เกิดเพราะปัญญาไม่มานะอาต่อไปคุณอามอามเรื่องสติเรื่องสติและมันแบบว่าเหตุให้เขามีสติหลายขึ้นเพราะว่าแต่จริงๆขน้อยกับแบบว่าเป็นคนแบบบ่ได้ใจห้อนปันไถ่เป็นคนแบบใจเย็นอยู่ เพราะว่ า, วาชี้ขึ้นมันก็อาจี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมเพราะว่าขน้อยบริเล็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แบบแบบว่าไงไงาข้าน่อยแบบเป็นคนปล่อยวางง่ายแบบบอกเจ้าอยากมีก็มีเจ้า ก, ก็เลยแบบค้าน่าไงกับจังลาโบจังลาเป็นคนบอกคอยบอกคอยหังมีนโมูธรรมดาเพราะว่าขน้อยขน้อยเป็นคนปล่อยวางแต่ไดมาแบบว่าเจ้าเขามีเขากลไปไงเห็นงานสองจอบเขาสะสมมีสมสองจาแล้วข้าน่ากัเห็นงานเจบเดียวกับมีกินมีใส้ธรรมดาแล้วก็บบริหนทน แล้วกาอีกอย่างสภาพแวดล้อมเขามากจนขน้อยมาแต่งงานก็ถือคนแต่งงานที่กับคนที่ว่าเป็นคนใจยเย็นอีกขน้อยก็เป็นคนใจยเย็นอีกน ะ, ะเรื่องเรื่องหอดเรื่องอย่างนี้ขน้อยบุคอยมีปัญหาโบถูกใจปัญหาเรื่องโบกใจปัญหาเลยการการที่ว่ากับเรื่องครอบครัวมีอยังคืกอการเพราะว่าขน้อยบึงสภาพพ่อแม่มาเพิ่งกะ เห็นเพลินเฮาอยู่ในสภาพเป็นร้อนแค่พอไหมเฮาเป็นแหนใดเฮาก็เป็นแบบนั้นคือพอไหมเขาน่าก็เป็นคนเย็นบ่เห็นเพลินพิษกันยากเถื่อและบเวละขนน้อยมีครอบครั่วอยู่มีครอบครั่วอยู่กันตั้งซ่ากว่าปีขาน่ากับบ่เคยแบบว่าพิษกกันกันกับผู้ชายในเฮือนแล้วก็บบ่เคยฝ่ายให้ลูกแล้วกับบ่เคย อันนั้นมีนยังกับรูปเพ่าว่าสียหายห่อนใจเห็นนะมันอาจจะไปมานิดๆแต่มันเป็นระดับต่าก็บอหมายความว่าขน้อยโบมีความโกรธก็มายเลยดอกโบมีพิษมีเถียงเลยดอกธรรมดาครอบครัวมันก็ต้องมีนะแต่ว่ามันอยู่ในระดับน่อยนะขน้อยก็เลยว่าเรื่องทุกใจห้อนใจข้น้อยกรบโบมีปัไดาแต่ว่าเรื่องที่ขน้อยมีคุ้มคุ้มมือนี่นะกรมีแต่ว่ามีแต่ว่าความว่างเปล่าเพราะว่าขน้อยเพึงศูนย์เสียบมันหัวไปครับ อยากจะมีแต่อยากข่มใจว่ามันเป็นอย่างคือมีความว่างเปล่าทั้งๆที่เราเข้าใจอยู่ว่าอันนี้จังนะถูกครั้งอนั้นตานะความเกิดอันนี้เขามาแล้วเขาก็ไปเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนของเฮาตัวเขาเองก็ยังไ่เป็นของเฮาถ้าเขาเป็นของเฮาก็เข้าใจอยู่ว่าเฮากับคาบังคับมันไม่ได้แบบบ่อยแก่บ่ห้เจ็บบ่อยตายก็เข้าใจแต่ว่ามันกับควบคุมอะได้ขาน้อยเป็นคนใจอ่อนเนราเป็นคนใจอ่อนนก็กลับบ้านมาอะไรเขาเคยแบบมีมาบ้านเลยมันมันมันเคยขึ้นมาในบ้านเลยมัน เห็นมีมีผัวอยู่บ้านก็เลยมามันมันว่างมันเหยียดเนี้ยได้นึ่งแล้วมันใจอ่อนขน้อยเพิ่งเสียผัวเพิ่งเสียไปหาเดือนหลังแต่มันใจอ่อนนะไมีแต่แบบมันจะหายนะแบนั้นแก็พอแต่หายๆนั้นก็บดิก็เรื่องอื่นๆขน้อยกับบริมีปัญหามาในดอกว่าสิว่าเออมีปัญหาเรื่องว่าเออผมมีเงินบมมีคำบากว่ามีคดีธรรมดาเพราะว่าขน้อยเป็นคนแบบบอกทะเยอทยานนะ แต่ว่ามีอยู่สำหับก็อยู่สำนั่มีอันนั้นสำหรับอันนั้นแบ่งแบ่งมีกินมีหน่อยกับแบ่งกินสมหน่อยบอดเทเนอร์ทายานว่าอยากมีคือโมเจ้าอยากขี่บีเอ็มคอยขี่ฟอร์ดกับโอเคนะขน้อยแบบเย็นอยู่ตอนนั้นเรื่องเแบบสังข์น้อยเย็นเพราะว่าขน้อยเป็นคนแบบเจ้ามีกัมีข้มีกระยาข่อยกระเพาธรรมดาข่อยกรอยู่ได้นาดก็เห็นมีแต่ประจุดอยากพื้นฐานก็มีแต่ขน้อยอยากเพิ่มพูนอันบารามี บาลามีแบบว่าขน้อยเคยเคยเห็นในภาพของขน้อย เ, เคยเห็นแม่แม่ปฏิบัติธรรมแต่เพื่อนกับบอลแมนว่าสาย น, านันสายนี่ดอกเพื่อนก็ไปแบบแบบเพื่อขน้อยว่าวเลยปฏิบัติแบบธรรมาดาบ้านเราอะไรมีกินมีทานแล้วก็มีหนงขาวปฏิบัติธรรมยามเขาพรรษาสามเดือนเพื่อนก็เคยไปปฏิบัติซ้ำสามเดือนวันนี้ขน้อยมาเห็นผอขน้อยผอขน้อยหันมามาเห็ุตอนบันบ่นบันบนบ่นปลายของซีวิตตอนเท่า ตอนก่อนก็มีแต่ว่าลูกลูกลูกลูกหาให้ลูกเคียนแต่ว่าแม่นี่เพิ่นจะได้พอเป็นคนหาแม่เป็นคนเอาไปวัดแล้วก็บวชพ่อไม่ยังพ่อ น, นะแต่ว่า พ, อพ่อบ่ได้เป็นถึงขันนั้นนะวันนี้ขนอยมามาม า, ม า, ม, ามาัดจินใจบอกว่าเออการปฏิบัติธรรมนี่มันได้ผลกว่ามันเห็นได้ผลกว่าเพราะนั้นขนอยมีหลังจากพ่อเมีเสียพังก็อยเก้าสิบพ่อเสียและเมเสียพังก็้อยเก้าสิบสามวันนี้ ขน่อยฝันเห็นพ่อกับแม่ขน่อยจะอยู่ในภุ่มต่างกันเพราะว่าภุ่มที่แม่ขน่อยอยู่หนะขน่อยแม่ขน่อยมามาอันนี้จะเป็นการง ง, งวยหรือจะเปลี่ยนแบบเรื่องเนี้ยก็จะแต่ว่าในความฝันบมดหรือว่าความฝันแต่ว่าขน่อยแม่ขน่อยมาพาขน่อยไปทำให้ขน่นอยไปแบบไปบ้านเพลินไปบ้านเพลินเวลาเพลินผ้าขน่อยไปเพลินผ้าไปบ้านเพินขึน เ, นนเนนป น, เนปหนงอยู่บ้านเพลินแล้วเพลินหนังสมาธิ นุ่งขาวนางสมาธิเลยบ้านเพื่อ น, นันอากาศก็ลอยขังปองยิ่งนี่อากาศก็ลอยพืน้นบันิแต่ขน้อยฟันเห็นพอถูกข้างกันนะพอจะข้าน้อยจะเป็นคนธรรมดาโบโ บ, โบย่างนุงดําเลยแมยขน้อยหนุ่งขาวตลอดเวลาขน้อยฟันเห็นเมยขน้อยก็เลยคิดว่าเอ้ยเมยนี่สมาธิเมยนี่ทําบุญคือกันก็พอแต่ว่าเมย์มยได้ปฏิบัติธรรมเม่ได้สมาธิพอพออยู่วัดแล้วก็สมาธิหรือว่าสามเดือนก็ไปหนุ่งขาว แบบภาวันษาจนออกพรรษาพอบอวได้เห็ุก็นายกับว่าการสมาธินี้ต้องได้ผลกว่าแม่ไปภุ่มสูงกว่าแล้วก็นายก็เคยแบบศึกษาเพิ่นเคยบอกวา่าอยู่ภู่มใดพู่มใดหนะ่ะแบบวา่าพุ่ ม, มัเสวะบอกนั่นขึ้นไปเป็นอากาศเสาวะาบอกก็น่าขึ้นป่ะจะนายข้านายก็ต้องแบบวา่า อยากได้สิ่งนี้เขาไปแอดอัพซีวิตขน่อยนะเพราะว่าเผื่อไปว่าคาาเขาหน่อยตายไปนะเขน่อยก็ขึ้นมายัางน้อยนอขน่อยขึ้นสูงขึ้นกว่านี้และการเทว่เขาหน่อยยังอยู่น้ำการทํากินทําทานเขาน่อยก็คือบอกพ่อเมศสอนมาเลยว่าเออถ้ารากลับเกิดมาเกิดเท า, ากับบุหัวเท่ากับเกิดมาอย่างทารกบุเป็นสัตว์เป็นมนุษย์ก็หอกขอให้ได้ไปเกิดในครอบครัวที่ไม่ยูไม่กินจะได้อันนั้นต่อเพราะว่าพันกระสั่งสอนก็ว่าเออคนเกิดเป็นมนุษย์คือกันแต่เป็นยังเท่าเกิดมาบอกคือกัน มีเกิดมากขึ้นกันตามอันนันต่างกันแต่ว่าผุนนงไปเกิดในครอบครัวห่างผูนหนึ่งไปเกิดครอบครัวถูกก็ย้อนต้นขึ้นการทานของเขาก็นเลยว่าเอออันนี้ก็เอาอันหนก็เพิ่มพูนก็เพิ่มพูนไปเรื่อยๆเพื่อเป็นอันิส้ทรงก็แค่นั้นแหละค่ะนะ Actually I I never talk front of the, a lot of people like that. They make me nervous. <laughs> I'm sorry if I say something wrong. And um, at first, I said thank you. I would like to say thank you. And um, I thank to every d h a m m a friend around here. Uh, Helped me a lot. Uh, uh, even support me uh, uh, from d h a m m a and from food, everything. e a s i c a l l y I don't eat uh, regular food. t h regular food, I only vegetarian. But uh, three friends uh, always think about us and make uh, my food for me. That I, I really appreciate that. Uh, okay. Um. Actually, at first when I came here. When I came here and I saw the practice, it kind of surprised me a lot. I never see that before. Mm, so um, uh, when you explain, and I i o t a little bit confused. So, uh, but I still practice what you what you said, and um, I I know that when I practice. I just follow um, all the movement, up, down, in, out, or faster, or slower, or um, um, um, low or high. I follow every step, and I feel, I feel calm and awake. u h ah, my for my for you know, w i t so, I think that it's really good, but some somehow a little bit confused for me. u h like I asked you before, before when I practice our way and uh, everything, every moment I can feel, like I. I let you know before, when I move, I can feel wind, warm, uh, touch, and can feel all the thing. And I told you, and you said, look like maybe I don't understand what you mean, but look like it's it, it not quite right. That's why I, uh, but I. I still keep practicing what you said, and um, finally, it's good for me. You know, I know every every movement. Even I eat, I walk, I walk fast, I walk slow, I walk, I turn right, and left. I know it. That's all. That's all I have. Yes, but. One more thing, when I do uh, teaching and somebody talk, I don't understand. So I keep practice. Even my eyes, I hear my eyes. Uh, I my ear, I hear my eye, I saw. But I nothing attack me at all. h uh, no, not against at all. No, not against at all. My master talk. Or other master talk. When I compare by, I t h t kind the of same, but a little, bit, a little bit different um, uh, method. You know, yeah. A uh, little bit. Um, uh, what we we call? Um okay. Yeah. k okay. a yeah. ไม่ได้สองวันค่ะแต่ก็อยู่บ้านก็ทำนะคะก็ได้ทำค่ะแล้วค่ะแล้วก็ต้องอีกอย่างคือต้องขออนุมนโมทนามน์เล็กกับอุ้มนะคะที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับพวกเราได้มานั่งวิปัสนาอย่างสะดวกสบายนะค ะ, ะคื อ, อดิฉันชื่อ <Okay. S 1> อุไรหรือโอุนะคะนี่เป็นครั้งแรกค่ะที่ฝึกวิปัสนาแบบเคลื่อนไหวนะคะเพราะปกติจะฝึกแบบหลับตาค่ะ ก็รู้สึกว่าดีนะฮะเพราะว่าสองวันที่ไม่ได้มาก็ไปใช้ที่ทํางานนะคะไม่เรารู้สึกมีสติดีขึ้นแต่ว่าที่ทํางานเราจะไปยกไม้ยกทําไม่ได้นะแต่ก็จะทําให้มีความรู้สึกว่าเออเรายังอยู่กับตัวอยู่นะคะมาวันนีนะ้มีความสัมผัสที่แปลกครับ เพราะว่าเวลายกมือเนี่ยจะมีความรู้สึกมีพลังค่ะทุกท่าทุกอิริยาบถ ท, ที่ยกนะคะมันจะมีความร้อนมาด้วยแล้วแต่รู้สึกทุกทีนะคะว่ามาแล้วมีแบบพลังมาประกบอยู่ด้วยะคะ่ะก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะคะกราบรมศการเจร้าค่ะ คุณพระทุกรูปนะคะแล้วก็เพื่อนกันลายาณธรรมทุกๆ ท, ท่านที่ฉันชื่อเกษรค่ะมาจากมิชิแกนนี่เป็นวันที่สองเท่า น, นั้นเองค่ะที่ฝึกปฏิบ<ฏ>ัติพึ่งได้สวันวันนี้พึ่งได้สองวันค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่เคยฝึกแบบนี้มาก่อนนะค ะ, เ ค, ะเคยฝึกทาง อ, อนาปนสติ อย่างของโกอิงก้านี่ค่ะก็ได้แค่สมถาะาพอขึ้นวิปปัสนาเวทนานี่ไม่ได้เรื่องเลยค่ ะ, ะไปสามสี่รอบก็เลยกิี๊บอัพตอนนี้ก็ไปแนวปัญญาที่ท่านเรียกว่าปัญญาคือไม่ได้เน้นเรื่องนั่งสมถะสมถะก็ส5บห้านาทีอะไรอย่างนี้นะค ะ, ะคือเป็นการพักผ่อนแต่เราจะฝึก พิจารณามากกว่ า, าให้มองเห็นความผิดของตัวเองอย่าไปเพ่งโทษคนอื่นก็ได้ผลได้ไดเยอะแลลวคะ่ะได้เยอะแต่กับคนใกล้ตัวนะคะลูกค้าเก่าเนี้ยรู้สึกยากที่สุดมันก็เลยมาพิจารณาว่าเอ๊ะทำไมเรารู้หมดนะ แต่ว่าความอดกลั้นที่จะหุบปากไว้เนี่ยมันไม่อยู่มันต้องรู้มันต้องรู้ว่าทำไม่ทั้งๆ ท, ที่ครูบาอาจารย์บอกไม่ต้องไปทำไมก็ต้องให้ปล่อยวาง อ, อย่าไปแก้เขาแก้ที่เราเราก็ยังไม่ยอมอยู่ดี น, นคะคะก็เลยพอดีคุณแม่ชีสุรางเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมาหลายปีนะคะ ท่านก็เขี่ยวเข็นให้มาอาหาแนวนี้ของหลวงพ่อเทียนมาห า, าหลวงพ่อนะคะนี่อยู่ๆอุ้มก็โทรไปไปเจอกันทีอ่อยู่ๆไปชนกันที่ลอสเวลิสเมื่อโนเวเม ber นะคะ อ, อุ้มก็เลยบอกว่าหลวงพ่อจะมามันได้จังหวะพอดีเลยคะ่ะ ก็เลยพยายามมาทั้งทั้งที่สุขภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ ก, ก็เลยมามาสายพึ่งได้มาเนี่ยค่ะก็ดีใจได้ว่าคุณบอบเขาก็ก็ดีใจด้วยว่าคุณบอบเขาก็ตกลงมาด้วย ท, ทั้งทั้งที่เขาก็ไม่รู้เขาสนใจหรือเปล่าทางพุทธศาสนานะคะแต่เขาก็บอกว่าเขาเป็นพุทธ ก็กสวดมนต์ได้อะไรได้แต่ความเข้าใจนี้ก็คงยังไม่มีนะคะที่นี้ที่ดีใจว่ามาวันแรกก็รู้สึกว่าพป็นวิธีใหม่ก็พยายามปฏิบัติมันก็เห็นนะคะว่าวิธีนี้นะ่ะก็เป็นแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะคือ แบบว่าเราอยู่แบบธรรมดาไม่ใช่ว่าปิดปากไม่ให้พูดตั้งสิบเอดวันแล้วก็นั่งเงียบอยู่ตั้งสิบชั่วโมงนั่งอย่างเดียวนะคะอย่างของโกงการเนี่ยคะ่ะก็อันนี้ก็มอเรลัคอาจจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นแล้วก็วิธียกมืออะไรเนี่ยรู้สึกว่าทำให้อ่ จิตไม่ออกข้างนอกมากเหมือนอย่างที่เคยค่ะก็คิดว่าเจอแต่ตอนนี้สองวันนี่จะให้ได้ผลเนี่ยพอวันที่สองรู้สึกกิเลสมันจะเล่นงานนะคะ <c oughs> มันม่วน <c oughs> นิวรณมาเยอะกว่าเดิมก็พอจะเข้าใจว่าสองสามวันแรกเนี่ยมันจะต้องมันจะต้อง แย่ไปก่อนก่อนที่จะมันดีนะคะก็คิดว่ามาถูกทางได้เอาไปต่อยอดนะคะแต่ผลนี้จะเป็นยังไงนี่จะรายงานทีหลังนะคะว่ากลับไปบ้านแล้วจะจะได้ผลแค่ไหนนะคะค่ะนิดเดียวเออจะจะจะมีภาษาอังกฤษครับก็อื เอาว่าจะทีแรกเลยนะเมื่อทุกคนอยู่นี่มีแต่ว่ า, าตั้งใจมาปฏิบัติแต่ขน้อยบบเคยตั้งใจบบเคยหูธรรมะแล้วก็บอกเคยเหูแต่ตักบัดแต่ก็บอกเคยเสือในศาสนาพุทธเพราะว่าบบเคยซอนอยังขน้อยขะน้อยก็ซอยตัวเองบมได้แล้วก็มีแต่ความทุกข์เกิดมาพอกระตายแล้วก็แม่ก็ฮาก็บโมหัวพนพิการทางใจ ตลอดมาพนก็บเลี้ยงลูกคนเดียวพนก็ป่วยป่วยทางกายแล้วก็ป่วยทางใจแต่ว่าแต่ใหญ่ขึ้นมากก็บุกเคยหัว่าพนป่วยมีแต่ว่าแม่คือจมเก่งแท้แม่คือเป็นกันอุดอิจนะแล้วก็ทุกใจทุกแล้วก็ตัดสินใจกับพิษผ่าไปหลายครั้งชีวิตก็ทรับสนมีแต่ทุกข์ทั้งคันที่ขาตัวเองตายแล้ว โมเพื่อนของแม่นะเพิ่นโทรมาบอกแม่ว่าเจออาจารย์แล้ววั่งซักดิ์สิทธิ์เด้ปลาสู้เด้หลวงพ่อนแล้ววันนียนขน่อยก็คึ้ว่าศักดิ์สิทธิ์ขึ้น่ามาขอมาขอเอามุนเอากระถาอย่างแล้วโทรไปหาหลวงพ่อตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าเบบว่างเพราะว่ามีจักการเหตุมีเบียกเหตุ บได้บไดเปิดข้อสบอได้เปิดวิทีตขน้อยก็เลยบูฮูจกสาวาอว่าขน้อยอยากไปเพราะมีมีอาทิตย์หนึ่งแล้วมีอันพักงานอาทิตย์หนึ่งอยากไปเจอหลวงพ่อันนี้หลวงพ่อก็เลยถามว่าสื่ อ, อยังว่า <c oughs> สันื่อสุวรรณโนหล <c oughs> วงพอ่อเอาันมากกับมา <c oughs> คือว่าสื่อบอหลวงพอ่อเป็นยังหลวงพ่อจังยอมหับกับบฮูเพราะว่า ซื้อนี่เก่าคูบาเอาหาหลวงพ่ออยู่เมืองเลาขนรอยตายตา ย, ตายละแมอเอาไปป่วยละโบมีแตะป่วยนะละแมอป่วโยโบได้แล้วก็เลยไปไปหมอไผ่หลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยว่าโอเคเป็นลูกอาตมาหลวงพ่อใส่ใส่ซื้อพันไม่ใส่สุวรรณโอขนอยก็เลยเป็นลูกหลวงพอ่อโบโหว่าพระองค์ได้แต่มาครั้งนี้หลวงพ่อก็ใส่ซื้อไม่สุวรรณนามืวานนี้ โอเคเริ่มต้นแล้วกัไดมาฮะเจอลงพอลงพอกับบอกแม่สมพรไปหเาเราแต่ว่าตื่นเต้นโดยแล้วไปแล้วปื้มใจว่าแม่สมพรไปที่คนที่บราเคยคุยเห็นหนักกันแต่แม่สมพรไปไปเจอลงจากเดือนเครือ บ, บินมากับแม่ขน่อยขน่อยก็ตกใจเนาะวัน ไ, ไปเจอไพน์เนาะปูหูกับไพน์อยู่นี่ <laughs> แล้วเจอผู้ดีว่าคือปูหายก็บปูหูเอาลองลองไปวันฉัน ก็สื้อปีอบินแม่กระหลูกเกือบสองพันเพราะว่า ด, ดว่วนผมมีเวลานะก็เลยลงไปแล้วไปเจอแม่สมพรกับพ่อไปหาเอาเพื่นกับกาบแล้วก็ต่า ง, างกับตางับคนอื่นที่ว่าเคยเจอว่าโอ้เพื่นคือนี้ไซดีแท้เพื่นคือไม่อ้อมน้อมคือคือผู้ดีแท้นะที่ขนมอยเคยเจอมาผมเคยบมเคยเห็นคนอ้อมน้อมแบบนี้เพื่อนก็พาไปเพื่อนเพื่อนไี่ยังแล้วกั ปฏิบัติแล้วกับกบ่มากแล้ววันนี้พอก็แมีภาพไปขี่รถไปซ้อมสโมงมันบ่กไปฮาร์ดทเวงบอกไ ป, <Okay. S 1> ปหอดพุน่น <Yeah. S 1> โอ้ขอนมอ ย, อยา่อยากเมื่อได้ว่าใช้จะได้จังซืเมื่อใดเพราะว่ามันบม่มักวันนี้ล่วงไปเจอลงพอลงพอกับเซย์เซย์แบนบอกให้ปฏิบัติเอา้าคือปฏิบัติคือว่ามาคอเซย์เซยอวันนี้ก็ทุกใจแล้วเนาะทุกใจวันนี้อ้า แม่กับแม่กับโบมากขนอยกับโบมักแล้วบันนี้บางเอิญขนอยก็เป็นฟรีอีกเป็นฟรีูุ่กคนนั่งกับนั่งโบได้โดยโดยบันนี้กับบันนี้พิสกันกับแม่อีกแม่เพิ่นกัเพิ่นป่วยเนาะเพิ่นกับโขนอยกับโบหัวเพิ่นป่วยตอนนั้นเพิ่นกับเบาเบาให้ขนอยขนอยก็ไให้แล้วกะจะร้องพ่อครับ บื้องมันหันถูกเบืงมันเอา้ารองพอ่ขอขน้อยก็โกรธรองพอ่อขึก้กันโกรธแบบเอ้ามาหาซอยเป็นยังขึ้นมาหาเบิง้งถูกว่าถูกจากนี้จากถูกจากออกนี้จากถูกนี้เป็นยังพอรวงพอ่อขึ้นมาหาเบิง้งมันเมนพาว่าขึ้นเมนอี็นยังนีมว่าะได้คือขออนุญาตขอโทษขอไปแล้ววันนี้รองพ่อก็เลยบอกว่าเบิ้งมันวันนี้ก็เป็นภาษาอีกขน้อยก็บอกเขาใจภาษา เบาเคยอ่านปฏิบิณร์บรเคยบหูอ่านภาษาเหล้าภาษาเหล้ากั บ, บาวบาบาเาขาคล้องโดยละหลวงพ่อได้เคยอธิบายว่าเออออกมาเบิ่งมันมันจะออกมาได้จังไดคนมันหูแบนี้มันจะออกมาไดจ้จะนะคัออกได้กับสิทถิ่นมันห่างนี่เพ <c oughs> ว, ว่า ว, ว่าโหแบบแปลกหลวงพ่อนี่บาแปลกตลอดนั่งอยู่หันนี่แต่พระองหลวงพ่อนี่แปลกเนาะเบาที่มนุษย์ธรรมดาเบ่เบากันนะนะ มันมันมันบูดไอ่เบากันแบบนี้เป็นยังขึ้นมาบอกออกมาเบิงไลวันนี้ล้องพอเปรียบเทียบนะว่าเออสมุติว่ามีเจ้ามีบักบานบักใหญ่เจ้าขืนพูดเจ้าแล้วมันกิ่งลงมากเลยเจ้าอยู่ในบักบานน่ะนะก่อนมันจะมาลงหดพื้นนะะเจ้าจะตายก่อนบ่กเจ้าอยู่ในบักบานนั้นคือว่าเจ้าจะออกมาเบิงบักบานไลลงมาห่อย้มันเห็นอย่างซันได้มันก็ดีตัวแต่ก็บวชเข่าใจบ่ชเข่าใจร้องพอ แล้วก็แล้วก็ปฏิบัติบัเนียมอยากเศ้าแม่กับเบงบันนียมีแอนแมซี่เฮตกินหายพ้นอายุแปดสิบห้าปีเราหลวงพ่อคนไว้กัอยากอยากเศร้าใจก็บอยากโบอดะนะโบอยากบโอยากอดแล้วความทั้งใจก็ถูกก า, ายก็ถูกแล้วก็มาใบเบิงถุกอีกมันก็มันสิรเบิดเด้๋ยวเขาจบันเนียม แม่แม่สมพรก็ว่าจะเบิ้งตีหันแม่แม่ซี่ขนาะเราแปดสิบาปีเราเฮ็ดกินให้จะกินเจ้าจ้สิ่งเจ้าสิ่ย่อบลวบวสันก็แนมเบิ้งแม่ซี่ก็หัวสันสันเนี่ก็เลยหูบนคุณว่าโอ้ขั้นยอมเนี่ยบุได้ได้ต้นพันธนาเอนด์ลิสต้องเบิ้งแบบพันมีบุนคุณขนาดเผาปันน่ะพันยังเฮ็ดกินให้กินแต่ตัวเองสิย่อมหนุ่มหน่อยอยู่บนเผาเผาก็ย่อมบอ่ะนะขนาดก็เลยต่างใจเออเอา ทงหานําทงเห็ดนําตั้งใจตัวได้ก็แห่งถุกวันนี้มือที่สามมันเมื่อยหลายมือที่สี่เมื่อยหลายแม่ก็มาว่าวมาเบาม า, ม า, ม า, ม า, มาดาโอ้โหว่ะบูโหวจากเห็ดก็เลยเลือกอันหนึ่งเลือกโบโบขิดว่านี่ถ้มันถูกกายจะนั่งเห็ดนั่งยกมือนี่แหละถ้ามันถูกแต่กายมันนี่ข้อมคิดออกมาควอมคิดออกมาเลย มันบอเอาบอกว่ามันมันถูกไลายเดคเราก็รบเอาออกมาไังได้กับโบเอากลับมือออกมาไม่ได้กับโบเอาเอาไปมันมันปืเบมันระความดีใจโบหูจักษิออธิบายแบบมันโบมันเบาไปหมดเลยนะแบบแบบโบเอาอีกยังเลยมีแต่แบบมันสบายเกินไปจนคือสะพูดขึ้นไปแบบแนวซองฟร์มดึงเมียนนะสวนโดยและก็และเข่าใจในหลวงพ่ออธิบาย เขาใจที่แบบออกมาเบิง่งแล้วก็แยกออกได้แบบมันโมเมนอันเดียวความคิดกับความห่างไกลมันโมเมนอันเดียวกันมันมันมันลงอันที่ที่องพอเบากรนานะนั้นโบเข่ า, ขาใจจากอย่างโบเข่ า, ขาใจม่ต้อเป็นยังแล้วก็บโบหูแต่แบบมาม า, ม า, ม, ามาหูว่าแยกตัวเองได้แต่จังหูว่าโอ้โหลงพอแปลกออธิบายเปรียบเทียบได้นะแล้วก็แล้วก็หูจากเบิ่งจิตอะไรก็ อนก็ว่าสิตัวเนืองเพราะว่าบุกเข่าใจบุกเข่าใจตัวเนืองแบบมาเบิ่งคิดตัวเองใดเบิ่งไปเลยเบิง่งจิตใจแับนี้แล้วเปรียบเทียบได้เลยแล้วก็เลยลื่มมือแบบนี้เปรียบเทียบได้แบบเปลี่ยนไปคนละคนเลยคนที่กลายเป็นเจ้าอารมณ์ขี้อัดโกรธแบบงย ขั่นมาสร้างคนก็นไปว่าโบาหายยางผ่านขั้นเปล่าคว้หนึ่งข้น่วยจิตอสองคัมวม่ว่าทารุ่นนะไปว่าชีวิตกับบบเห็นว่าตัวเองถูกบบเห็นว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นวันนี้กลับบานไปเปลี่ยนไม้มดืดเปลี่ยนการเคยเคยเหตุเคยเหตุหแต่อันเดียวกับฮิยันหูไรอะไรเนียจนเป็น จนจนเห็ดใดมดอยองการจนหัวหน้าจนเปลี่ยนเปลี่ยนไห้ไปเห็ดอื่นๆเห็ดไทยตะเกียนเห็ดใดแต่ซอเดอร n งบันนาวเห็ดตะโฮคัมพลีตเฮียงเอทนะแล้วบันนี้ไปกับขึ้นไปห้องเฮียนเพระาะว่าขึ้น่าสมองดีขึ้นกูเก่าจือจำได้ง่ายแบบอยากเฮียนมานี่กับขึ้นไปเฮียนไปเฮียนเป็นมาร a โกแ s สิสตกระจจบจบหมอกะอยากได เพราะว่าตอนนั้นห้องงานขนนอยสิเลยกออฟคนเพราะว่ามันโบมีเบียกแล้วและขนนอยขึ้นไาขนนอยตรงกับขึ้นไปห้งเฮียนไปเอาอาชีพเพราะว่าท่านขเจ้าเลยกออฟขนนอยจึงได้หาเบียกไงบัดจบห้องเฮียนแล้วห้องงานกับโบเลยกออฟเอาขานนอยเมียนโปรโมทหายไปไปเป็นเซอร์วิสแท็กเพิ่มเงินให้อีกแล้วก็ไดโบนสัสอีกบัดตอนสิ่จบห้องเฮียนหันเข้าหายไปไปลองเห็ดเมียก เหตุเาียได้ด็อกเตอร์ก็ต้องการไวซี่เบียดได้แต่ขน่อยกับไปโบได้เพราะว่าเบียดตัวนี้ก็อยากได้ขน่อยแปลว่ามันดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตแบบว่าเป็นแบบมีนักจิตใจแบบว่าขน่อยสิเบงแบบว่ามันจะมีสามอย่างความคิดความคิดขึ้นมามันจะผ่านหัวใจและขน่อยจิมีโตโตบาดิกัตโตลู่นี่สิเป็นภู แบบว่าโอเคคมคิดนี่จเป็นภาษาหัวใจนี่จะเป็นอ n t e r p r e อร์แปลภาษาแปลภาษาให้ตัวลูกตัวลูกจะเป็นผู้เจริญใจาว่าอกใจนี่จะเป็นเจราจาิญใจจะแปล ว, ว่าทุกบกุคือบลทุกอดีบุคือบลดีและว่าโอ้คือเป็นตัวเห็น เห็นโตโตหัวใจสิคิดคิดออกมาถึงหัวใจลู่ก็เห็นว่าโอ้มันถูกบอกคือบทุกแล้วขอนวัตเห็ุถึงสิตลอดแล้วมันก็มันมันดีน่ยมันระวังที่ว่าอยู่น้ำลายคนอีตรงระวังที่สุดเพราะว่าขันบลระวางแล้วเขาสิถูกเพราะว่าเขาสิไดหับเอาในสิ่งค ว, ว่ำเบาวาจาอ๋อกิริยาต่างๆที่เขาสิเข่ามักไป so แล้วตลอด เขายปฏิบัติแบบนี้อยู่ห้งงานก็ปฏิบัติระวังคนที่ไกลสิทธิ์ระวังปากระวังความคิดมันคิดขึ้นมาก็โหว่ามันคิดเลือกใดความคิดเขาเลือกใครถูกก็ถูกเขาเลือกคิดใครถูกก็ถูกคิดใครมีดีขึ้นมันก็ดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นความคิดมดัเพราะว่ามันมันปรุงแตง่งขาเท้าขาสิติแล้วมันแตง่งมันปรุงเอาเองมันวันนี้เขาเลือกใดคือเขาเลือกกินนะี่ยนะถ้าเขากิน ถ้ามันคืาไม่มีประโยชน์เท่าก็บเลือกใดความคิดเท่าก็บเลือกไดขึ้นกันเขาบริจาเป็นเสรีอามาทํำลายเขาเพราะว่ามันมันบริเวนห้องเขาแล้วมันก็นคิดขึ้นมาเขาเห็นมันเท่านั้นเข า, ามีแต่เห็นเห็นคิดโอ้แบบมันมันถูกแล้วเนาะกับแบบมันเหตุใดถูกกับบริาเป็นจะมาคิดเปลี่ยนทางแฟน <c oughs> <c oughs> อยู่ที่นั่นเทา้ากเนยะ